ตอนที่63ามไล่หนิวซูเฟินกลับบ้านเกิดโจเจี้นเย่พูดจาได้น้าขันนักเพิ่งจะมารู้จักชดเชยเอาตอนนี้แล้วก่อนหน้านี้โมไปทําอะไรอยู่ไม่จําเป็นขอแค่ต่อไปคุณอย่ามาหาฉันอีกก็พอหลีหวานเอ่ยด้วยน้ําเสียงเย็นชานิสัยของหลีหวานไม่รู้ว่าถอดแบบความดื้อรั้นมาจากใครโจจี้นเย่เห็นว่าเกลี้ยกล่อมไม่สําเร็จก็ไม่ได้พูดอะไรต่อเรื่องบางเรื่องต้องค่อยเป็นค่อยไปจใจร้อนไม่ได้เจ้้งเศร้าสิงจ้องขเขม็งจนกระทั่งโจเจี้นเย่เดินจากไปตาไม่เจ็บหรือไง หลิวานเห็นเขาจ้องจนลูกตาแทบจะถลนออกมาเจ็เจ้งเศร้าสิงเคยีตาพลางตอบหลหวานเธอไม่ต้องกลัวต่อไปฉันจะปกป้องเธอเองพ่อเธอถุยถุยฉันหมายถึงผู้ชายคนเมื่อกี้ถ้าเขากล้ามาหาเรื่องเธออีกคราวหน้าฉันจะอัดเขาให้กระเจิงเลยเจ้งเศร้าสิงแขนขารีบเล็กขนาดนี้เขาจะเป็นคู่มือของโจเจี้นี้ได้ยังไงหลหวานมองดูเขาแล้วรู้สึกว่าเขาช่างมาเพื่อสร้างเสียงหัวเราะจริงๆตกลงนั่งเอ่ยปากรับคําคําที่พูดมาก็อย่าลืมละ่ะ ไม่ลืมหลอกฉันความจําดีจะตายจึงเศร้าสิ้แนแค่เสียงหือ้อเส ว, วันเธอเล่าให้ฉันฟังหน่อยสิตอนเด็กๆ เ, เขาแกล้งเธอได้ยังไงคราวหน้าฉันจะได้ช่วยเธอระบายอารมณ์ให้เต็มที่ไม่อยากพูดถึงหลิหวานไม่อยากเอ่ยถึงเรื่องในอดีตมันไม่มีความจําเป็นได้ในเมื่อเธอไม่อยากพูดก็ไม่พูดไม่เอ่ยถึงเรื่องอับมงคลพวกนั้นแล้วบ้านตระกูลโจโจเจียนเยโอเออยู่ข้างนอกไม่อยากกลับบ้านแต่เขาก็ต้องกลับแม่ของเขาจะอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้แล้ว นางต้องกลับบ้านเกิดไปไม่อย่างนั้นเขากับหลิวเคอเคอคงได้อยา ก, กันเข้าสักวันเห็นได้ชัดว่าในโลกนี้ไม่มีการครองคู่ไหนที่แม่สามีจะทําลายไม่ได้หนิวซูเฟินยังคงฟ้องลูกชายหนังลูกสะใภ้คนนั้นแอบออกไปซื้อของกินคนเดียวไม่ซื้อมาเผื่อแม่ชัดเจนว่ามันอยากจะให้แม่หิวตายใจคอโหดเยี่ยมเกินไปแล้วรู้อย่างนี้ว่าเป็นพวกพันนี้ตอนนั้นแม่ไม่มีทางยอมให้มันแต่งกับแกแน่แม่ครับไม่คิดว่าพูดเรื่องพวกนี้ตอนนี้ยังมีประโยชน์อยู่อีกเหรอ โจวเจี้ยนเย่จ้องมองหนิวซูเฟินด้วยสายตายเย็นชาตอนที่ผมอยู่กับหลีชิงถิงแม่ก็ชอบพูดจาให้ร้ายนางต่อหน้าผมบ่อยๆตอนนี้เราอยุดกันสมใจแม่แล้วผมแต่งเมียที่แม่พอใจเข้ามาแต่ตอนนี้แม่ก็เริ่มพูดจาให้ร้ายเคอเคออีกต่อให้เขาจะมีข้อเสียเป็นร้อยอย่างแต่เขาก็เป็นคนที่แม่ให้ผมแต่งด้วยไม่ใช่หรอครับผมไม่มีแม้แต่สิทจะพูดอะไรทุกเรื่องผมฟังแม่หมดแต่ตอนนี้ผมอยากใช้ชีวิตของตัวเองต่อไปเงินเดือนในแต่ละเดือนผมจะไม่ส่งกลับไปทั้งหมดจะส่งไปแค่พอรักษาค่าใช้จ่ายในนนนชีวววิิตตตปประจัาามมกกของพแ่่เท้ โจจี้นเย่พูจบก็เสริมว่าเดี๋ยวพอกินข้าวเสร็จแม่ก็กลับห้องไปเก็บของซานแล้วกลับบ้านเกิดไปเถอะทางนี้ผมไม่ต้องให้แม่ดูแลชั่วคราวช่วงที่เคอเคอท้องเขากลับไปอยู่บ้านเดิมได้หลิวเคอเคอที่อยู่ในห้องได้ยินสิ่งที่โจเจี้นเย่พูดชัดเจนแววตาของนางสันไหวโจเจี้นเย่พูท้อ ข, ข้างนางงั้นเหรอในใจของหลิวเคอเคอร์พันรู้สึกสมดุลขึ้นมาบ้างนางอดไม่ได้ที่จะยกมุมปากขึ้นรู้ตัวอยู่แล้วว่าโจเจี้นเ ย, ย่ยังมีเยื่อใยให้นาง การที่หนิวซูเฟิรนจะอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้จริงๆทางที่ดีที่สุดคือให้นางกลับไปใครให้แม่กลับความคิดของแกรหรือความคิดของใครหนิวซูเฟินมองโจจีจ้นเยี่ยด้วยอารมณ์เครือกราดพลางกัดฟันพูดตอนนี้แกแต่งเมียแล้วลือแม่ใช่ไหมถ้าแม่อยู่ที่นี่ต่อไปบ้านก็ต้องวุ่นวายไม่จบไม่สิ้นแม่กลับไปเถอะครับแม่ครับหรือว่าแม่ตั้งใจจะให้ผมแต่งงานครั้งที่สาม เดิมทีผมก็ทำผิดต่อสองแม่ลูกหลี่หวานมากพอแล้วตอนนี้จะทำผิดต่อเคอเคอไม่ได้อีกในท้องของเขามีลูกของผมอยู่ผมต้องรับผิดชอบพวกเขาโจเจีนเ้นี้เอ่อยด้วยสีหน้าจริงจังถ้าแม่คิดจะอลาวาาก็เชิญตามสบายอนาคตของลูกชายยังไงก็อยู่ในกำมือแม่แล้วช่วงนี้ผมออกปฏิบัติภารกิจไม่ได้ก็เพราะหัวหน้าเขารู้ว่าสถานการณ์ในบ้านผมไม่ดีเขาเลยให้ผมจัดการเรื่องในบ้านให้เรียบร้อยก่อนถึงจะมอบหมายงานให้การออกปฏิบัติภารกิจไม่ได้ก็หมายความว่าไม่มีโอกาสสร้างผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่ง นิวซูเฟินควรจะคิดให้ดีต่อให้นางจะเป็นหญิงปากร้ายไรยเหตุผลแค่ไหนแต่ก็นำอนาคตของลูกชายมาล้อเล่นไม่ได้นิวซูเฟิน ร, รู้สึกปวดแปบลบที่หัวใจน้ำตาของนางร่วงเพาะลงมาไม่ขาดสายก็ได้แม่จะรอดูว่าแกจะใช้ชีวิตไปได้ถึงไหนผู้หญิงคนนั้นทำให้แกหลงจนงอหัวไม่ขึ้นหลิวเครอรเคอไม่ใช่คนดีอะไรหรอกเขาจะเป็นคนดีหรือไม่ผมรู้แกใจดีแม่ไม่ต้องพูดแล้วครับ โจจี้เยี่ยู้จบก็บอกให้นางรีไปทำกับข้าวกินเสร็จจะได้รีพักผ่อนพรุ่งนี้ยังมีธุระต้องจัดการหนิวซูเฟินจะร้องให้ยังไงก็ไร้ผลน้ำตาของนางเสียเปล่าโจจี้เยี่ยไม่คิดจะสงสารนางเลยสักนิดวันต่อมาหลังจากส่งหนิวซูเฟินกลับไปแล้วหลิวเครอรเคอรู้สึกว่าอากาศช่างสดใสสบายตัวไปหมดเมื่อโจจี้เยี่ยกลับมาเขาตั้งใจจะคุยกับหลิวเคอเคออย่างจริงจังช่วงไม่กี่วันนี้อารมณ์ของหลิวเคอเคอดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โจวเจี้ยนเย่พูดตรงๆว่าต่อไปถ้าคุณต้องการคนดูแลคงต้องรบกวนแม่ของคุณและคนอื่นๆแล้วและการที่แม่ผมมาอยู่ด้วยมีแต่จะสร้างปัญหาทำให้คุณไม่สบายใจคำพูดแย่ๆที่เขาพูดออกมาคุณก็อย่ากเก็บมาใส่ใจเลยต่อไปเงินเดือนผมจะไม่ส่งกลับบ้านอีกผมรับรองได้ว่าเราจะมีเงินพอสำหรับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจาวันตามปกติโจวเจี้ยนเย่เอ่อยด้วยเสียงเรียบคุณคิดว่ายังไง มีความคิดเห็นอะไรก็พูดออกมาได้ตรงๆผมรู้สึกว่าการที่เราสองคนได้มาอยู่ด้วยกันมันไม่ใช่เรื่องง่ายเราต้องเห็นคุณค่าของกันและกันเพื่อให้ลูกมีครอบครัวที่สมบูรณ์หลิวเคอเคอสะอื้นให้พลางโผเข้ากอดโจเจียนเย่ยร้องให้อยู่พักใหญ่ถึงค่อยพูดว่าฉันไม่ได้อยากแยกกับคุณหรอกค่ะตอนนั้นฉันแค่โมโหจัดฉันอยากจะใช้ชีวิตกับคุณที่ดีขอแค่คุณยืนอยู่ข้างฉันไม่ว่าความคับข้องใจแบบไหนฉันก็ทนได้จริงๆค่ะโจเจียนเย่ยถอนหายใจอย่างจนใจจะไม่ปล่อยให้คุณต้องลำบากใจหรออกกหหเคค่พยัน้้าซๆ อ, อ, อื้อดีคะ่ะผู้จบโจเจี้ยนเยียก็มีอีกคําถามหนึ่งเคริรเคริรคุณต้องบอกความจริงกับผมคุณรู้เรื่องที่แม่ผมทํากับสองแม่ลูกหลีชิงผิงหรือเปล่าไม่รู้ค่ช่วงนั้นเราสองคนอยู่ด้วยกันตลอดฉันจะไปรู้เรื่องในบ้านคุณได้ยังไงจริงๆแล้วหลิวเคริรเคริรรู้แต่นางยอมรับไม่ได้เพราะเกรงว่าจะกระทบต่อความสัมพันธ์ของทั้งคู่หลิวเคริรเคริรเอ่ยอย่างจริงจังว่าถ้าฉันรู้ว่าแม่คุณจะเป็นคนแบบนี้ตอนที่แต่งกับคุณฉันก็คงต้องคิดดูให้ดีกก่ออนนนเหมืั โจวเจียนเ ย, ย่ไม่ได้พูดอะไรอีกเพียงแต่ผลักความผิดทั้งหมดในเรื่องนี้ไปที่แม่ของเขาฮิมแรกของฤดูหนาวหลีหวานสวมเสื้อขนเป็ดที่คุณย่าซื้อให้มันอบอุ่นมากตอนที่ซื้อเสื้อหลีชิงผิงก็อยู่ด้วยเสื้อขนเป็ดตัวนี้ราคาเป็นร้อยหยวนไม่ใช่ถูกๆเลยหลีชิงผิงปวดใจแทบแย่นางไม่เสียดายเงินที่ใช้กับลูกสาวแต่รู้สึกว่าเสื้อตัวนี้แพงเกินไปมักจะรู้สึกเหมือนถูกหลอกขายราคาแพงเกินจริงเจ้าชุนฮวารู้ดี เสื้อขนเป็ดตัวนี้ใส่แล้วดูดีมีสัญลักสีดูมีชีวิตชีวาขึ้นเยอะสวยกว่าใส่เสื้อนุมตั้งเยอะใส่ได้เกือบตลอดทั้งฤดูหนาวเลยนะแม่คะเสื้อขนเป็ดนี่มันทํายังไงถึงได้แพงขนาดนี้ไม่รู้สึกว่าเขาก่งราคาหรอคะต้องใช้ขนของเป็ดตั้งหลายสิบ ต, ตัวถึงจะทําเสื้อขนเป็ดได้ตัวหนึ่งราคามันก็ต้องแพงสิของแพงย่อมมีข้อดีของมันแม่บอกว่าจะซื้อให้แกสักตัวปีนี้แกก็ยืนกรานว่าไม่เอาท่าเดียว